ด้วยผ่อนหนักเป็นเบาตอนที่เพิ่งมาอยู่วัดได้สองเดือนกําลังเดินจงกรมอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงมาทวงชีวิตว่าพารูปผาผัวเขาไปตายไม่เอาพวกเขากลับมาเขาบอกอย่างเนี้ยข้าพเจ้าก็หันไปดูรอบๆวัดนี้ก็มีรัว้วและกุฏิหลวงตาก็อยู่ตรงนั้นไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็รวบรวมความกล้าของตัวเองบอกกับเขาว่าเอาละ่ะถ้าหากว่าฉันทําไปเพราะเป็นหน้าที่